ฟังธรรมฟังมาเรื่อยๆฟังแต่เียดโบฟังธรรมทุวเนฟังแล้วนั่ไปทรไปพอพปฏิบัติแล้วฟังธรรมฟังเียดฟังแลวแล้วไปฟังเดแต่แต่มีอันนี้สงอยู่ดอกมีน่อยพอยดีแต่อันนี้สงมากไมาง หลักของบุญมัน9ไวบุญจีรียาวัชุศิษมันก็นี่ธรรมสวรรค์ไมคือการสร้างธรรมเป็นบุญเป็นกุศลอันหนึงห่งอะไรประาหลักของการแสดงธรรมธรรมเทศนาไม้ก็กลายเป็นบุญเป็นกุศลปัตตานโมทธาหนาไม่อนุโมทนาบุญกุศลคุ้ อ, อื่นท่านสัง่งคุณงามความดี เท่า อ, อนุโมทนาวิชาเพลินเทนาก็เป็นบุญไห่ปัจานุโมท น, ไนาไม่อนุโมทนาชวนบุญิก็อุทิศให้จิตกบอกให้ไว้จิตทำบุญย่างหลังย่างนี้นนเกิดบุญเกิดกุศลบุญมันมีหลายจิตหลายทางจิเกิดกินได้นี่คือบุญในะยญแาวัตถุ้ะะาตุไม้บุญสำเรับเดือกการแหทา่าน ทุ่เาไม่บุญสาเด็จเดกการรักษาศีลภาวนาไม่บุญสาเร็จเด็กการภาวนาบุญมันเกิดขึ้หลายทางไปใจนาไม่บุญสาเร็จในการค้นผัวเรือคนผูวก็ทําบุญตากตาเมื่อเทาน่าไม่ยังอธิบายมากมันก็ร้ายข้อเป็นทิฟข้อเป็นข้อถึงทิฟเวลาทิฟสูงก่ำ ที่าำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องในบุญศิลปะวัตถุศิษย์ที่เป็นกาวไในตำรับตำล่าบุญมันเกิดจากการการทส่วนในท่านวัตถุร้ายท่านในพระสูตรในชาววีไนนี้ี่สัตรมัดเป็นกาวไอเพลือหอยควนกทีิมีอุปนิสัยสะสมเอาไว้ ปานั่งวัดถังหนานั่งมาลากันทั้งดินเละปานั่งเสยยาว่าสถังเสยยาวาแถังสะที่เป็ย่งท่านาวัตถุอินทีย์ละสัตว์ท่านสิบยางในพสูตรอันนั่งชือท่านเขา่าปานั่งชื่อท่านหน้าวัดถังท่านผาหานั่งท่านเหยื่อย่านภานนะมาลา่า ท่านดอกไม้ท่านทั้งท่านค้นองหอมนีเร่ไปนั่งท่านขล้ลลงของดูบลายดูบท่าย่างขมิ้นแต่ก่อนไม่มีกินสมัยมีเรามีดอกทีเร่ไปนั่งเจ้าอยาท่านที่นอนว่าสังขกับท่านทียูอวัดไปที่โตัวย่งท่านดอกไม้ ท่านของใหม่เหรอท่านถูกเทียนท่านน้ามันเป็นเสียงประจิบถืกเทีย น, น, นแหละเสาา่ยงน้ำแสียงเสว่าอันนี้สงมันจะกล่กาวไว้ของการให้ของบุคคลอนั่งฟานั่ ง, งจัดทั้งหลายเกิดมาในโลกอันนี้แต่ต้องมีอาหารเป็นส่วนอยู่ส่วนกินพระศิษย์สมามมเน้นแต่ขอทานบิณฑบาตอยู่เสมือนี อยู่ในศาสนาได้พาะอาศัยอย่าย่อมท้าบ้างผู้มีศรัทธาให้ท่ า, านกัรนหากเมืมีผู้ใดเมือกำนับเ้าถ้าเพื่จะอยู่ว่าได้ลาพระมันไลายายังก็หมาคิดหดเขาให้ม่วยไว้ว่าให้กินไงท่านอ่อนหลอดอยู่ว่าได้เพราะเหตุใดเพราะชีวิตของคนนี้น้ค น, นอืน่นคนอื่นเขาให้เขาให้นามเป็นท่านเนจงอยู่ได้เป็น จะมีกำลังพวกศึกษาเราเลียนดต่สันบริขจขณโศจิณ่าโสมนิมจัยสิเลี้ยนไดผผ้ผู้ประพฤติปฏิบัติโดิยกอมภาวนาะขานอดอยากอยากจนขาดแรงจนขาดหมอ่ามี อ, อ็นได้โยงในท่องในใสกะโอมีกำลังสิปฏิบัติภาวนาเพิ่นจะว่าให้เขา่านีอนิสงไ์หาน้ามีอนิสงฆ์อันออ น, นั่งฝานั่ง เขานามเป็นเด่นสำคัญของสัตว์ทั่วไปมไม่ว่าอันนาโดปลโดโฮติผู้อหเข่าหอยนามคือหอยกำลังคนที่มีกำลังอยู่ได้แต่พออาศัยเข่าอาศัยนามเป็นเคพียงรอเลี้ยงหลางกายขันหมมีเข่ามีนามหลางกายกับเหงือกแหงบมมีกำลังสามารถที่มีชีวิตดูได้แต่ถ้าอันใดว่าเปลียนเพราะว่าอยากได้กินหัวห้อย นอกจากนั้นห้าสิว่าให้ชีวิตเป็นท่านก็ได้เพราะคนสิยูได้ก็เพราะอาศัยกันอยากการกินแันว่ออยากนีอยากนี่กินจะตายแงะถังให้พาพอนทอนสบายเป็นท่านก็เป็นเทนวะวัดถโดโมติวันนาโดคือผู้ใดอยากเสืออยากงามก็ให ขาให้พรเป็นท่านพอผาพ้พพเหอนกันนงโฮมเขาไปแห้วมันเฉยมันง่ามหนาเบิ้งหนเงี้คนกี่หล่กี่เละกับงของเฉื่ยง่ามกับพ่อเบิงเงี้ยี่หล่กี่เละกันเงี้ยบอนงผ่าบอเฉือยบอง่ามเงบอมีผ่ามีแพร่ซ้มันกัเบิงบอได้มันเฉื่อยลงไปแต่มันเฉยันงามู่แล้วเอา เรื่องประดับประดาของเชื้อของงามมาประดับเขาอีกมันก็งามขึ้นกันกินอีกภาษาโบราณทันเจ้าว่าไงงามพอขนขนงามพอแซงขันโบมีขนเหล่าไกลมันก็จอกจ้อนยังไงล่ะโบเป็นตาเบิงขนหลนอยู่แล่นถูกถัถูกถ้วยบโมีบนเบิงเอารลดขันขนมันหลายมันก็เป็นตาเบิงงามไกลคนขันประดับประดาต๊ะแซงมันก็พอเบิงได้พอดูได้โบสีเหลือสีเหลืหลาย เป็นจะาว่าห้ผ่าพรพรสไบเป็นท่านเป็นหายความงามเป็นท่านหาวัฒณะเป็นท่านกูจีหาวัฒนาเป็นท่านจงการความสวยความงามใม่พบหนาชาติหนาท่านไปเห็นปะหายจริงเราหีิเป็นท่านเป็นบุญเป็นกุศลจะผู้รับและเป็นบุญเป็นกุศลจะผู้ให้ได้จงได้เดีบุญ บางผู้บางคนก็บโมูหจ okay. ักยังบุญว่าได้จังได้ให้ไปาสดงกบเท่านั้นจะได้ให้เหล่าคนรับก็ได้รับจะดีใจทังเจ้าบุคือเขารักเขาก็ม้วยไปเงี้ยโมโจักบุญให้เราเป็นญาติเป็นเหนือเป็นเต๋าเป็นวัตถุมากมันก็ยากด้เน่นะของมูหจักว่าบุญคืออันใดโอเคนี่มีชมีท่านท่านก้าวไหวคนมโจักบุญ มีพระกรรมฐานเนี่ยพระกรรมฐานปกติเป็นรักษาพวีนัยเพิ่นบ้เคยจับต่องเงินทองไปสถานที่ใดขันโบ้มีเด็กนี่ว่ายาเกษตรกรชิดตามก็จับไปบ่ได้ชี้ไปบ่ได้ขันชี้ไปน่นกระพิบขีนของเพิ่นขันชี้ขีนของเพิ่นเพิ่นกระบ้สดวกสบายปทิบัติเพื่อส่มาชีปัญญามันบอกก่าวนาเพิ่นจังรักษาบ้ จับบอต อ, อ น, นี่เด็กนี่วิญญาณสมก่อนติดตามไปนี่คนให้คนถวายเพ่นจะเอาไปเสื่อใส่เป็นชารดชาเรือดชายุคชา ย, ยาถ้าไม่อจีเทียนไขจําเส็มมากคนคิดไปได้กรรมฐานสมัยก่อนกับกรรมฐานสมัยนี้มันคิดกันกรรมฐานสมัยก่อน่อนเดินที่หลวงเพิ่มบ่เลยเดินทาน่องนี่ บื่อได้ขินรถขินเรือว่าได้ไปหันไปหนีน้าถนนหันทางบ้านเมืองการคมนาคมมันก็ยังบ่านสะดวกคือสมัยนี้คนงานปลาย่งันอ่ะบันดเหมาะสมบันดดีเป็นกะยูผักเป็นเดือนสองเดือนผุนกะนี้เด็กกะนี้ไปวันไม่วืดเยื่อไปวันไดว่าเป็นไปยืตาเศ้าเป่นกะดูเสืกขู่เสวข้าวลดกนี้ไป นี่ชื่อไปพาวานาไปละกีเลตไปทําความเที่ยนมองไนไปถัดหน้าจอมอนไปเที่ยวหล่นดูสถานขี่บ้านเมืองมองไปดูจิตดูใจของเพคนไปแก่ไปไข้ไปฝาก ไ, ไปเที่ยนไปพาวานาตาละภายในเมื่อเดินไปเดินไปไปหอดแม่น้ำไงบุญวันที่ไปเสร็แล้วหรื แต่ผ้านมันก็โมมีหัวมันโมมีไปควมบ่ได้ขวมบ่ได้ลากไปเรามาไปเห็นทาทาเนี่ยันนี่คนรับจ้างเอาคอนามผ้าเงี่ย อ, อยู่ตาสีตาสาเราบกเคยไหว้พระไหว้เจ้าบกเคยเขาวัดเขา ว, ว่าบกหูวจักเรื่องอันใดเรื่องทั้ศาสนาพระธรรมพระ ผีดองพระสมถานบมมีเงินมีทองสีไห้ทั้นไปหอดถามเส้นได้พอออกเสีรรอเ่อา จ, จา้ามาคว่ำน้ำในบ่เราเจ้ามาผมมีเงินมีทองเลยไอ่นมาเป็นพระขันย์อยากเรียบ น, นย บ, นนยบุนทีพ่อได้ยีดอกขันย์อยากเเงินเียนทองเ จ, จา้ามาผมมีหายไอ่นสองอีตาน่นแล้วก็หอดผมมีเงินหาเอาบุญเก่เอายีดอกคนหน่อยไอ้ท่านบุเคย ได้จัเียบุญานียิเข้าไปเอาบุญไปเอาบุญกผมเลยว่านีมีโอกาสไม่ลสเสียสละไปวัดใว่าไปเอาบุญเอากุศลน้าเพนจัตเตียยเผาเหี้ยเอาคนขามฝา่งสี่หละไล้ว่นนี้มีโอกาสอย่าไปเอาบุญน้าเพลเหมือนกันเนี่ยคู่มากสดีใจล้ายหละแนี่คู่ใช่ให้บุญนะเขาวาสั่นเพื่อจะล่งเห้แล้วหรเพรเสียบุญ เอาบาดเอากดเอายามโรงเหี้ยเหรอขมสุดเหี้ยเหรอเขาพ่ายวมไว้ไๆหอดฟังมันทั้งหนาพันสิไปล่ะมันจะบอกเออไหนพากันมีความคุดความเจริญเด้อขาดสินขายรวยอยู่เย็นเป็นสุกจะมาสิไปแล่ะห้านี่ห่างขอเข้าใจบุเคลื่อนด้วยคนมุ่งหัวใจบุญสิไปจะไหนล่ะมันห้าสิลงเหี้ยว่าสิ อาบุญให้กระทำมารงเหล่าก็คืไต่ลดแล้วไงของจะบุจักบุญเนี้จักเพ่นีว่าจังไรแล้วหวยพ้นผงเงนบ่เคยอีีตัวนี่คุเชื่อจังไรนอ่อมเพื่นก็เลยอธิบายให้ฟังบุญมันบ่เป็นสันรอพออกว่าบุญมันคือความสุขความสบายเฮ็ดอันใดกสะดวกค่ะสินขายรวยอยู่ ย่นเนุกหลกไข้ไ no ข้เ no จ็บบบีบบบเบียนไยเหลือเกินผู้อือนบุญกุศลกับุ่มข้องให้มีความซุกกายซุกใจบุญคือเรื่องของนำมาทำคือความซุกทางใจมันเป็นวัตถุคือจึงอืนดอกไว้ห้ตนหน้ากัให้เราด้วยให้ินให้พรั่นน่คือบุญนะเด็กที่เจ้าเอหน้านู้่วว่าคือให้เราต้องให้ อาาก็บภาบ่มีสิ่นี้ถ้ท่อนตัวท่านแจ็คเฟนสชวาจังไหนแล้วเขาฝูมัดเขาเพื่อนฝรังีปัญญาเนี่ยเห็จังไหน่า้วก็ควบคุณควกพี่ฮะยกในยามในถงกับพันบรเวณนีควบไปควกมาก็ได้ควกเขาดังหันดดังก็อนน่อยๆออกมาเอาท่นว่านี่ยก็มูจักบุญก็ยืนงบุญให้ันเช้าน่อยๆเดี๋เอาของดีมันก็นหน่อยตัว จไดเงิท่รักษาได้ก็เลยตอนีปัญญาแล้วเขาหาแล้วสิโอ้ยเขาเคยใส่เป็นสิบวเสียเนาะสิปรึกษาสิข้อก่อนสีด่างมันก็บเใหญ่ไหมได้ปะน่นกินได้เ่ราคนหน่อยเพราะจะช้ยนาเห็นเ็กหน่อยแยกจมูือบ่เบียกินก็ได้ยอะเลยคนนจะได้ยึดดงกินเห็นแล้วแต่สีตาส่าินสีแดงส่าเหมนกนเชื่อมเสียของดีมันก็เชื่อมตัวสิจะมาสิไปหรืว่าทานนี้อ่อนหลอด ไปสับคูบานั่นแหละน้อมโหจักบุญเป็นหายซึมหาทํามีความเย็นจิตเย็นใจมีความชุกความสบายว่าได้กเสือเหลือเกี่ยหนุนคนอื่นเลาแล้วเลือกขึ้นการใดเวลาใดสี่แล้วนีอํานาจบาสนะได้กเสือเหลือคนอื่นไลยทาบุญทุนทานเขาก็เย็นจิตเย็นใจใจกับสบายเกิดมาบัอาภัพอาบาดสนะอย่างนี้ ขีปัญญาใดนีมาละหนีพ่อขีใจช่วยก้นอ็นใดใดทานทาการกุศลใดรักาซีนฟืงเทวดาท่อมเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นขีมีขีใจนะถึงการกระทําต้องเทาขีทําใหญ่ชัท่าความเสียดความหลงสกระหันบุญชักบุญเลี้ยงเอาบุญน้ำเพลน ฟูงโงก็จะเกอย า, ายังห่แล้วเอาท่านผ่านะหายัยาายางเชื่อตม่านยังมีเพื่อนมนตลาดเักบเยียพวกฝุ่นพวกขี้พอจะพวกได้ขีดังดังหรือฟันในหน่อยก็กมบอหรอะยืนหามันช่เบ่งบ่อออกได้ใช่เป็นอยียงเนาะี้ดังนั้นบ่พอสี้หูจักว่าเป็นอันนั้นอันนี้ที่เม่เหนียวเนี่ยใช้ากกินเห็นแล้วเหรอข้อมูอจักบุญมันเป็นสั้นล่ะเหจักบุญ มาวัดม า, न, าวาาา ई, า่าจำศีลภาวนาให้ท่านก่าบ่ายตั้งเศษตั้งช่ำไหว้พระสวนมนต์เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นหาเขาเราหลึกนึกืด้คนส่วนใหญ่จะงวนพันพันหมื่นมืนเขาก็ได้ขสามาวัดมาว่าไหว้พระไหว้เจ้าโบเคยเขาสักเที่ยวสักที่แต่ันนี้บางคนหรือ มีจัตถ่าอยากมากใช่ไปใช่มากเขาป่วยเขาไข่เขาจิตทุระนักเหนี่ยนเขาก็มาว่าได้นี่ห้ามมันโศกดีเขาไม่อาวัดมาว่าได้มาไหวท่าไหวเจ้าก็ภาค ก, กำเนิดมาได้ยิ่งไหนสร้างธรรมะธรรมโมสิครูบาอาจารย์นํามาเนี่ยมาสอนเขาระลึกได้เขียนได้ท่ามได้เขาก็เย็นใจสบายใจ ชือบุญคือความสุขมันบ่เป็นทุกข์มันบ่เดือดร้อนผู้ที่นี่บุญอยู่ในตัวแล้วมันสุขมันสบายได้อันใดกันได้ของดีนี่อันใดแต่มีของดีเป็นใจวะเพราะเป็นบุญเขาหน้านเพื่อวะขันใดเงินไดท่องใดขอใดของยิ่ง ด, ด, ดีมากเพื่อถือว่าเป็นบุญเป็นสืบสนก้อนสีบได้ย่างนะกันได้ของทั่วของเสียมาเอ้ย บากรรมันเนวะมันเจังั่นบุญจเป็นเร่งปาถนาของคนทั่วไปไถก็ยังได้ผูเลียกเล็กน่อยกาบวเป็นไหวบัเป็ีนโนบัเป็นเอาหว้เพื่อนเอาบุญบักน่อยอีน้อยเ็นวกเยกเล็กแดงกัคุ้มให้เากาบเขาไหว้พอยากให้เขาได้บุญเขามีบุญหลอเขามีความฟุ้เอูู้งไงกสงหาบุญ นี่บุญเล่านีความสุขใจมันสุขใจมันสบายใจมันเย็ยนเพราะบุญคุ้มคลองรักษาบุญพญาวาสินแต่ว่าเต็มแต่ว่าความสุขเพื่อเต็มใจได้จริงได้จะได้จริงสิเขาพ่อใจเข้าปาานะ่าถนาเต็มใจในจริงสิตัวได้เต็มใจในจร่งส่ตัวมีเนะบุญ แต่ว่าเต็มบ่บกบ่พ่องบุญแต่ว่าความสุขนี่ความสุขทั้งกายแต่นี่ความสุขทั้งใจก็่นี่ความสุขใช้กัป่าถนาใช้กัอยากได้เพราะบุญมันเป็นท้องดี <c oughs> นี่คุณข่ามาอย่างนั้นเอาสุวรรณไงกระแตแบงนะบุญหาถูกหาเต็นหาสะาดมันก็ได้ความจริงบุญมันนุ่ยุ คนสลาดหาชื่อกันกับเงินกับทองนี่แหะคนอดอยากอยากจนบนว่าว่มี่เขาของเงินทองสิใสแต่ฝันหลายอยู่จนวม่มีบ้านสินอนเหี้ยงสิยู่ทุกหน่ยเลี่ยนบาดชิมจิมจังๆเขาขาดเลง่ยนใจขาดหมอนี่คนประเทศเนี่ยจะดีคนหล่าคนรวยกับันนี้ทั้งๆที่เกิดมาในโลกอันเดียวกันมันสลากจ้างกัน มันขยันมันเพี่ยนตางกันมันคิดมันอ่านตางกันมันจังหนี้ตางกันสมบูรณ์ตางกันนี่คนเฮ้ากับเท่า น, น้องเยียวกันคนบรบิสลาบมันจะหาว่าได้เนี้ยสีเฝาอยู่ในวัดในว่าอยู่นั่งผ่าน้าเจ้า ก, ก็บ้องหัจักบุญทั้งช่งสีเป็นเอาบุญไห ศีลให้พ่ให so ้ความสุขความเจริญมันจะบูฮุจักบุญนี่ยมาเพิ่นแก่สวยอยู่คือตาสีตาสาเสียพากวามน้อยางสิเปล่ามากบางครั้งได้ชีดังบุมันจะ่าบุญเฮ้ากับยายนันเป็นท่านอกนั่นหูจักบุญเอาไว้บุญคือความสุขกายบุญคือความสุขใจบุญคือได้อันใดมาสมหวังพินาบุญเอาเป็นอยู่ก มีความสุกความสบายเขาตายไปแต่สมหวังอยากไปเกิดเป็นนา่งฝากเทวดาอยากไปเกิดเป็นยิ้เป็นพุ่มจะไปได้เพราะบุญกุศลทรงให้เขาจังภาคันแสวงหาหาเดี๋ยสติหาเดียสัญญาหาเดยความฉลาดคนาฉลาดเท่านั้นแหะที่ได้เรียบคนโง่ที่นี่สมบัติคนโง่รักษาสมบัติบ่ได้ คนบา้าคนบอกรักษาสมบัติบ่ได้เข้าให้ฆ่ากันคิดกันเนื้ทอำทำความเสียหึักให้คิดให้ใจค้องตัวติตจังไดมันจังสิได้บุญกุศลมาบัดมาว่าจําศีลภาวนาเดินจงกรมทําความเที่ยนรักษาจิตรักษาใจค้องตัวบ่ไหววกคิดจิตของกับอารมณ์ชัญญ้นญ้าท้ายนอกมือหนีมาส ง, งบ งงจิสงบใจการงานบ้านซองเข้าวะเลยหอบเหน่ยวหอ บ, ห, อบหามาท้นำน้าเรื่องโลกเรื่องโซ ส, สารจีตเขาเคยคิดใกลอ่านใกล้สดเค ย, เ ค, ย, เ ค, ยคุยเข้าใกล้ิส ง, งบสิตแมาเอาบุญเอากุศลจิตแก้หน้า ส, สอนตนและบาริกรรมพุทธโอพุทธอยู่เห็นใจมันส ง, งบเห็นไหมใจมันเยน็นใจมันลงมันร่วมมันจะเห็ น, นบุญเห็นกุศล ไปจักขัดเกลื่นในตนขันมันบเป็นขันนัก็บวชเป็นวิญเป็นกุศลให้ไม่ยู้วัดต่างแจากายใจมันยู้บ้านลูกคนหนึ่งจิเป็นยังไดล้านคนหนึ่งจิเป็นยังไดเขาสิรักษาเขาฟ้องเงนินทองไว้เหว่าอหรือฮะเขาสิทําการทํางานเหวอคิดไปทุกอย่างคิดหอดต่างแจ่บ้านใจ่เฮี้ยนแจ่หัวแจ่สวนแจ่ จ, จิงแจ่ของ ผู้ยังใชเรื่องว่าเป็นสาระประโยชน์ลูกไข่ยังได้ลูกเคยยังไดเอามาเยลานายกันอยู่ในวัดแทนที่จะมาปฏิบัติภาวนาดูจิตดูใจทาลายชีวิตตัณหาทำละความเสว่ความเสียความเศร้าความหมองมันบริสันทงสั่นถ็นมันบริสันท์เช่นเขามาแต่เจ้ายบุญมันจะบวชได้หลายแล้วหัดทีบวได้สัมเห็มันคิดคิดไปหลายเป็นยังเว่ามีเสียวอยู่กันนี้สองคน ในการคลื morning, morning, morning, morning ่นหันหมอนึไปหาเงาะหนึ่งหมอนึงกัไปหาหมอนึงหมอนึงหนึ่งส่วนการคลื่นอื <Really? Yes. S 1> ่นเป็นเป็นวันพระวันเจ้าเป็นสีเขียดสีถ้ำในวัดเขาไปสังเกตทังขาน้องกันเถอะเนาะหมอมืงอื่นนะกันเจียวพูนึงส่วนเดีวก็เลยตกล่องเออนาะกันดีอ่ะเดี๋ยเจียวพูนึงหัไปหาเจียวพูนึงทั้งหนึ่งส่วนอีกอื่นถ้ากันไปกป่าเถอะเนาะป่าน้องนั่น ตัวลายหลายด้ไปเจอปานั้กันอื่นมานี่ก็รับถําสิไปเงินมือเสีมากมาพบหนากันเจ่าสองคนสิเพื่อสนิดกันห้วยเ่ยวไปขางถ้สงมืนอย่างคนสิเศอันนั้นนีได้หวยเ่าเดีต้องลงกับเจ้าผู้นั้นเลยว่าสิไปหาปาตัวห่วยในแจงไหนสิ่ี่มืพวกไปหะจะรักษาแทจะ คิดความหน่ายข้ามหมันสัญญาครับมูไหวว่าสิไปฟังข้ามก็ไปฟังข้ามคอรักาชัดจว่าสิไปหาปาก็ไปหาปานมือคือไปฟังข้ามน่งฟังไปฟังมาก็ว่าด้เกิดความคิดความนึกอะไดในบุญในกุศลว่าเรื่รักษาศีลรักษาธรรมได้ฟังเกิดฟังขามเป็นบุญเป็นกุศลในใจนั้นบอกิตซะไปหอด วัดทอดว่ากบูจะคิดโอ้ยป่า น, นี่บังนันมันไปหาปามันเด็เท่านั้นเท่า น, นี้ช่วยสีดำช่วยฟูย่างมานันฟังเสกฟังช้เาเช็บแกงเจ็ดขาปวดหลังปวดแอวบ่ได้อี๊ยงมันวะทำงันฟู ไ, ไปหาฟูห้าป่าป่า น, นี่ฟูเสด็หลายเลยเนาะคิดโยงสัน่นฟงไปอย่งจโยงสั่นเด้๋ย้คิดเอาคิดเอาใจใส่เลยข้าเสกขําสอนขอ้อมผลนี่ต่างจะคิด ออกไปขาเหนียวเดือยปลาอยู่ทางนอกบ่ใดคิดเขามาทางในร่างคนสอนอันใดบ่เข้าใจในข้ามสอนได้เพราะมันกันครับเป่าปีไปหูกวกวมันโมโหจักเสี่ยงเหล้าอันใดมันโมวอนโมยิ้นยังหายงางฟังกับขั้งอยู่ซื่อๆเพรบ่เสียมานยากจะคิดใจนคิดมันพุ่งออกไปขาเหนียวเดือปลาร่าคนนันเขาสีดายสีรวย ไอ้คนไปจึกเหียกันอีกละ่ะไปหาปลาหาวันไดกับบไหใหาวันไดกับบเห็นหาวันไดกับบันี่แคส่จิตเหนือจิตตัวมาปลาตัวเดียวกับบัจิตมือเลยในย น, นี่นะฮะยึดฮะล่าหาเนื้อหาเนยจิตโอ้ยกูหนึ่งชัเป็นจังไหนกันฟังความเชียวเสียวความเชียวไป น, นี่เป็นสิเทรอันนั้นหร้างเปนสิเทอันนี้ให้ฟ้า ง, นน ง, งบ่ได้ไหลองน่ำลองห น, อ, งหนอยู่ ทุกอยู่สบายกายใจในยินได้ฟัง่งสมาธรมโมคิดใจกันสิยิมหย่องฟ้องใสอันนี้ยังสายก็ทุกใจก่ทุกบ่ได้อีหยังยกูนี่ก็ลําบากลาค้านนี่แก่ฟังความเจียวซะแก่ไขเดีไปวัดไปวา่าตอานนี่สิเพื่นตีเทิอันนั้นเทิดอันนี้ให้ฟั่งสิเขาคิดเขาใจไปไรสิงลร ย, ย่างมีความคิดของภูอยู่วัดออกไปทางนอกความคิดของภูอยู่นอก เขามาในวัดความคิดคนทั้งสองนี่เมืเ่อตายไปตามจำหนานเป็นเก้า ว, วัยว่าคนขี่เข้าไปวัดตกนรกคนขี่ไปท้ามาหาจินจะาบริษัทเหนือเดือป้าอันใดเพราะใจใครคิดในอัดในถ้ำในไปสวรรค์ว่าแต่เช่นว่านี่เฮ า, ากจะเห็นมันเป็นท้ำน่องนั่นเขาวัดแต่เห็นไหมเขาทั้งหมดทั้งกายทั้งใจ วัดเบงมันมันสูงมันต่ำ ม, มันดำมันขาวอย่างใดใจของเฮาสินนี่สินไมจำสินภาวนากับสิกนกรจิตจังไดความสงบส ง, บสงัดข้างใจความเย็อกเย็นทางใจให้ตรวาตาสินนิติใจน้ดูแลรักษาเจ้าของเองสิ่งใดสิมันเัีวมันเสียเค่อยคิดเคยฝุงเคยฝุดเคยกุ้ยก็ให้่ลังงับดับมันไห ว, ว่าสันมันบริสลาบบดีฮหย เร่อยจังไดแต่ยื้อยู่จังสั่นมันจะเลยบว่ามีอันใดคิดแต่แต่ตางกันอยู่วัดกับคนผู้เก่าอยู่บ้านกับคนผู้เก่าเคยฝูดซ่อยค่อยเห็ดใ่้ยทำอันใดแต่เห็ดอยู่เพื่อเก่าคิดอยู่เพื่อเก่ามันจะเริบ่เกิดสารประโยชน์ให้ข่นเฮาฝึกจักวัฟปรุงกายใจของเฮาให้มันยิบมันดีด้วยจิตด้วยปัญญามันจะค่อยดีขึ้น คือแั่งการเรียนหนั ง, งสือล่ะทองซึมืออ่านซึ ม, มือมันกระจาได้นี่บวทองบาอาวอ่ า, า, านเลยแบบกถึงจะําพี่อยู่เถืะะ่อเถื่ออยู่ไปเนี่ยถึงจะคู่คนบอกอันใดคนสอนอันใดบาอาใจใส่เนี่ยอยู่ยังสีกับอานก็ใกลก็กาบวออกเพราะบวได้เอาใจใส่นี่เข้าเขาวัดเขว า, าว่าจําสินภาวนาสักพื้นกันอ่อาเขาบว เอาใจใส่บ right. in yes. ่กกินิติจริาแก่ไขสิ่งที่ตัวจี๋เสียใจของเฮ้ามันกับว่าหัวักอันได้คิดอันได้ถูกอันได้ดีอันได้เสว่ามันโบหัวใจแกงสั่นมันกัถูกอย่างเจ้าของปลอมแล้วของปลอมมันแยงหลายชั่วมื่นเป็นโลบเป็นสงสารเงินมันกับปลอมท่อมันกับปลอมเข่าของกลางๆมันกับปลอมผ้าเจ้าผ้าโฉมมันกัปลอมมันปลอมไปหลายแมันถูกของปลอมยงนั่น มันก็ใส่บัวได้มันบัเป็นประโยชน์ให้พอห้าวบัวสลัดโ่หูวจักค้องจริงโม่หัวจักคล้องปลอมมันจังถูกอย่างนั้นแทนทีสิไปไหนคล้องลิบคองดีไปทําบุญชุนท่านไปวัดไปว่าไปกาบไปไหวนไปกาบคล้องขี่หมาไปกาบพระถือโบนี่อัร์ตไม่ถ้ำมันเป็นท้ำนองนั่นให้องฟินิชใจ น, น่าในมันหูวจักหลุแจ้ง ใมคิดไม่ใจโดยเสถียโดยปัญญาของเฮาันได้ควรเหลือพัดดั๊หาจิเป็นเหนือหน้าบุญของเฮาเฮากับแสวงเอาเฮาขอมาวัดมาว่ามารักษาศีลรักษาธรรมเฮากับรักษาใจของเฮาอีกเกิดความสลาดเกิอความหลอบลูกเความสงบเความเยือกเย็นของคิดของใจฝึกมือนั่นโอ้ก็มือนี่เฮ็ดไปที่นั่นนิดพหน่อยนันก็บอยงใหคอยโตขึ้นที่รังรับ เนี่ออกตําหูกหมืนแล้วจอดไปเค่ละเจ็นเท่านั้น o, bên, น, để, น, ôm, ó, นั่นแตยังแล้วยังทัวเป็นแทนเป็นถืนมาเลยนุ่งเหนี่หอมฮ่อเนื้อหอกกระดูกเทาแต่เป็นเดียวมันสิเป็นเอียงไห้เลยเดี๋ยวพกเอียงได้นี่มันหลายเสซนจำวายุบ่าถอยมื่กี้หยุดกรย้าวออกไปมันก็้ไงแต่โตออกไปมีการสั่งยึดสั่งใจสั่งบุญสั่งกุศลกับทํานองนั้น าการสร้างการทำโอกาสเวลาพี่เฮามีลมหายใจเป็นอยู่พ่อไปได้มาได้ผู้ เ, เพืเ่อนเจ็บเพืเ่อนไข่เพื่นป่วยเพื่นเป็นอย่างมากมันก็มากพอได้เท่าไรก็มีไปพอได้ลงเห็นลงซานก็พอได้สิไปเอาเมื่อใด่เหนืเอเฮ้ามีกำลังวางซ่าพ่อสิถ้ำยังได้แตทถ้ำไปนะด่ี่เป็นบุญเป็นก่ศลแกเฮ้า อาจารย์ีลมนผูสลาดาวัดเขาว่าจำศีลเพราะว่าหนะ้าตาดูหูฟังใจคิดอันใดมันพิดกระละเขเวียนไปอันใดมันผีเกิดสารประโยชน์ให้แต่ท่ำไปอย่าในวัดได้ว่าต้นใหม่ไปอย่ามันหกวันเหี่ยวันใดพระเจ้าพระสงฆ์พระเยสบด้จะเป็นหนาขี้พวกเฮาสิเห็ดสิท่ำเพื่อความสะอาด ตาเื Ta, Nam, wat, am, ang nh e ่อความงามเกิดเป็นขอวัดเป็นบุญเป็นกุศลแก่คนขี่เหตุขี่ถ้ำมันยังเกาวไหวในตำลับตำล่าแล้วมันมาสูตรเอาไลหน่อยบวชใดไกลหยิบหยาออกไปถิ่มนอกวัดก็ได้เกิดเป็นเทพบุตรมันเกาไหวทําความสะอาดแก่วัดแก้ว่ามันจะเป็นบุญเป็นกุศลถึงสี่นี่รักเกลียนวันนี้รักเกลียนย่างไดกะควนขี่พิจายหน้าไหว คำสอนของพระพุทธทเจ้าของหนา้ากาศูนย์สลาดแหลมคมตัให้เห่าได้คิดได้นึกเข้าทํามยิบทามดีแล้วบ่ได้ยิบได้ดีคนบ่ได้ท่าเใช่เลยมันคิดได้ยิบได้ดีมาจะใสข้นกินบ่มีความอิ่มหนํา้ํารานคนอยู่ซื่อสื่อิ่มมันจะเป็นไปบ่ได้มีการทําบุญชุนทางการ ทางคุ้นงางความดีกับชื่อกันท่นละ่ะเขาสางไหวเขาบ่อใดเป็นเท้อวุธเท้าวดาคนเขาอยู่เฉยๆบวชได้เขาวัดเขาว่าบวชได้หาท่านยังศีลภ า, าวนาเขาสิยดไปเป็นเท้าวุธเท้าวดาใดเดนืออาการอันใดเพราะเขาบ่มีตัดมีศีลมีคุ้ง้างคว่ำดีอันใดเขารักษาอยู่ปานนี้ยังศีบ่อใดบ่มีบ่ ด, ดีบ่เด่นมันจะ คนถีบว่าถา้ำจะได้มันก็เฮงอับจนด้วยไปแล้วขนาดเพื่อนจังไห้นึกให้คิดไห้พี่นี่คิดใจหน้าตั้งเศษตั้งถม้มจํำศีลแต่เผื่อสําระคิดใจของตัวเผื่อคิดหาท่างถีบมันจะเป็นสาระประโยชน์บมเมนฟั้งเผื่อความใช่หรอเพราะเพียงโมเมนต์ตั้งเผื่อความสนุกสนานเออกเ็เลยโก้ล่าฮวน เหม company, at, cricket, re, <ock> <zin> ือนสังเพ่งสังล่ำสั้งเหตุคือสั้างค่ำสอนสั้งเหตุสั้งผลเป็นแสดงอันใดมันคิดถูกชั่วดีจะนั่งไปไขคิดคิดตามสิ่งที่มันชั่วกะดีแจกใช้สิ่งที่มันดีกระดีบมเพ่นต่อไปนั่นชื่อคนผู้ที่สรงเอาจิตเอาใจใส่สั่งเหตุัง้างถ้ำคือสั่งเหลาทําตามพรานั่นกันคือเลย ไปสู <sorta> ่ย <ones. S 2> ึดหมายปลายทางสตัวไปส่งเนี่นี่แต่้งใจตำหนิคนอื่นนี่ตั้งใจกล่าวตูเขาวัดเขาว่านีล่าตายไปกว่าฉันไสพาไปสวรรค์แล้วในเด้อเนวนั้นมัน่อกี้ได้บางแหงบ้างคนนี่สถานที่ตจางจางเห็นเขาวัดเขาว่ามาใหญ่มากนั้มาดูมินนินท่าคนแบบนั้นเท่าสิ ไปถือดีเทอสากับเขาบ่ได้เขาเป็นคนไคยวัดเคยว่าเคยถะเคยเจ้าตาดูหูฟังใจคิดไปยาได้วันสิเป็นสาประโยชน์ให้วัดก็เขาคอยเจ้าบนน บ, นบจกแต่กบ ด, กดักดำสื่อๆเพื่อนกันขี้เที่กน่ะนะว่ามีสิไดเอียงนั่เพลินน่ะตายไปเหอะเจสิถึงผ้าอาศัยอันใดของเขาไว้สางไว้ เอาใบสางไว้มับข้าวมี่คือเครื่องคั่วเข้าใบสางไว้อยากได้พระอีตูแล่นเข้าไปก็บขวมี่อยากได้เพราะชิงนไข่แล่นเข้าไปกับข้าวมี่อยากได้ชาที่เขืออนไดนแล่นเข้าไปกับขวมีเข้าว่าได้สางไว้ได้ปลูกไว้มม่ติเกิดมาแจ้ใสกันเข้าไปปลูกไว้สางไว้แล่นเข้าไปมันบกคิดหวังดอกอยากได้อีหยังไหมต้นไม้แจมันก็บพ่อได้นี่เข้าสางไว้เดี๋ยตายเดือดใจของเข้าท่านเขาก็ได้ให้ยีนเขาก็ได้ รักษาภาวนาเข้ากับเดบัมเทนเข <c oughs> ้าสิอดอยากอยากจนบ่นใดเพราะเดือดสังไหวแล้วบุญกุศลที่เข้าสัางไหวมันก็เป็นของเข้าบ่ามันสิเป็นของวดัดของวา่าเป็นของพระของเจ้าคือเขาเหตุหน้าว่ามันหน้ า, า, นนามันสิเอาเข่าไปขายหน้าเป็นบนเหตุบนถ้ำเท่า น, นั้นผู้เห็ดผู้ถ้มเป็นเข้าเข้าเป็นจต่ของเขา่าในใหายในหน้า เวลาปักเวลาดำก็บเปนเฮาไปเจ็ดไปท้ำไปปักไปดำเวลากอด เ, เวลาเกี้ยวก็บเป็นข้องเฮาแก่มาสะยุ่งเปสางก็บเปนข้องเฮากินข่าปากก็บเปนปากเข้าทองเข้าขายเอาเงินก็บเป็นเฮามาเป็นหน้ามันถิ่นมาท่วงเอาคุณค่ามีวัดว่าศาสนาพระเจ้าพระสงฆ์ก็ท่า น, น้องเยาะกันมาเป็นเพื่นสิมาแย่งเอาบุญเอากุศลจากบุคคลภูมาทำบุญชุนท่านแกหายเบิ่ง ให้มันคักทิจเจน้าให้มันพั่วมันเจงสิเป็นบุญเป็นกุศลเจงสิบว่าพิษพลาดอย่างหน้ามันบวชท่วงเอาคุ้นคายอย่างนําเห่าก็ตามแต่หน้าบวางงามมันก็ได้น้อยแต่หน้างามมันก็ได้ร้ายเห็ดลงไปตี่ดอกกําไรติดห้าเห็ดนี่จะทําร่องเยียวกันเห่าให้ศึกษาให้พิจเจน่าเยาสิเป็นคน บกจิดบวนึกเป็นคนโงเงาเ้าคิดเขานึกเข้าฟินิพิจัยหน้าสี Green ่เห็นดอกในจิตในใจวันใดเป็นยังไดพอสี่ได้หรือสีขาดทุนฮ่สจิดเห็นในตัวของเฮาเฮาบวชจิตบวนึกเอาเรื่เพลนวาอันใดกวาปนน้เพลินเห็นเพล่นบวชกว่าเห็นเพลินบวาละเพลอเวอันจักอันใดเป็นอันใดไม่คอาใจ ยิงจังแบบกระต่ายตื้นตูมพเพ า, า, าว่าแผ่นดินสิ่นเทินสลายน้ำเขาหลดอยักความจริงมันเป็นยังไงว่าี่สูจเหตุผลในสนของสนแต่ทำตัวเองเสียหายชีวิตที่ว่านับบ้นหมดไปหมดไปเขามานั่งดินหายใจออกมันจะเดสไปหายใจเข่ามันจะเบดไปมันเบสไป โหลดแต่แกวีหน้าทีไปหาหน้าที่หาซโซมองฮะวันหาขึ้นหาเดือนหาปีเรื่อยไปแกไปแกไตแกไ ป, ไปสู่กองขึ้นกองไฟหลุมฝังศพกันทาบอรี่เลื่อนขวางควายเอามันก็นได้บุญกุศสนมันบายเหล่าเดินมันตาวัานมันใก่คาแล้วจีบไปอันใดไปไปปากใไปท้องรีบหาเอา มันเหนื่อยมากแล้วมันขวัวห้าอันใดบ่พอนี่เขาตายแล้วคือกันนั่นแหะขวัวอันใดบ่ได้ท่ามาวันใดบ่ได้ชิ้นเขาได้อีพ่อขวักลงโคกโคกมัวซารับกินได้อีพอมันจะสิไปหูจักอียงได้หามถึงกองไฟมันก็ยังบ่ได้เยี่ยงไหนเล่าเอียงแต่มันเจ็บมันหอนมันอยู่ซึกเตียวมันสิไปยังไหนล่ะนี่คนตายก็ทําน่องเดียวกันนั่นแหละร่างกายมันตายเปลียนมันแตกเป็ี่ยนใจมันตายบ่เป็นบางเพ็่นอันใดแล้ว มันต you know, oh, ิดอยู่ในหันชื่อกันก็บังหนึ่งบางม้วงแหละแมันแย่มา้ยหรอมันเอาไปไว้ในหันดับเนี่ยหากของมันก็ดีล่ำส่เนของมันก็ดียิ่งใหญ่ของมันก็ดีเมื่อไปปลุกลงไปถูกนามฟา่หนามฝนโกลงมามันแตกเนาะแตกนั่นกลินมากไหนเข้าเห็นแต่มันอยู่ในหันมันพังครบพเห็นดอก จ็กบนได้เป็นหักจากบนได้เป็นล่ำต้นจ็กเป็นบอได้เป็นใบท่าจิไปหาเ่าได้มันก็ไ่เห็นเพราะมันอยู่ในฝักใน